ตั้งใจว่าเดือนเชื่อสภาจะบวชเนอะคะ่ะคือเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ายังอยู่แบบนี้ค่ะโงตาสิ่งกระทบมันเยอะเราก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ต่อเนื่อง คือเวลาปฏิบัติก็รู้สึกว่าเวลาสงบก็เงียบมากแต่พอเวลาอะไรกระทบทีก็แรงมากไม่ใช่เราไปติดสงบยิ่งไปยิ่งไปหาความสงบอย่างนั้นยิ่งหลงใหญ่เลยไปติดความสงบเราไปติดความสงบกระทบเลยแรงไม่ใช่อะการปฏิบัติคือเราอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายแต่ใจไม่วุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่กระทบแต่ใจไม่วุ่นวาย อยู่ในท่ามการความคิดอารมณ์ของเราเองแต่ใจเนี่ยไม่วุ่นวายไปกับความคิดและอารมณ์โลกวุ่นวายพุทธเจ้าตัสว่าโลกโลกก็คือโลกใบนี้คนทุกทุกอย่างที่อยู่ในตัวโลกนี้เรียกว่าโลกโลกทั้งหลายเขาก็วุ่นวายอย่างนั้นแนะเป็นเรื่องปกติของเขาแต่ใจเราไม่วุ่นวายร่างกายก็เรียกว่าโลกคือเดี๋ยวเจ็บไข้เดีป่วยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวเพี ย, เ ด, ย, ยเดี๋ยวเนหนื่อยเดี๋ยวไปนู่นเป็นนี้ โรคอารมย่อมวุ่นวายย่อมบกพร่องแต่ใจเนี่ยไม่วุ่นวายจิตใจขันห้าซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์พุทธเจ้าก็ตัดเรียกว่าโรคโรควุ่นวายขันห้าเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังอปนหนตาเกิดเกิดดับดับมันเป็นทุกข์มันจะวุ่นวายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นหน้าตามันเป็นทุกข์มันไม่อยู่ในบังคับของเรามันเลยทําให้เราเนี่ยต้องเป็นทุกข์กับมัน แต่มันเป็นทุกข์กษัตริย์คือมันทุกข์กับทุกไปแต่ใจมันไม่ทุกข์มันทําให้เราเนี่ยเดียเด๋ยวก็ผ่องไปมันเดี๋ยวก็เศร้าหมองมันเดี๋ยวก็สบใบใจมันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจมันนี่เป็นเรื่องปกติแต่ใจเราเนี่ยไม่คล้อยไปตามมันไม่หลงไปตามมันและพยายามไปดับมันแต่เราเข้าใจปิดเราไปหาอยู่ที่เงียบๆ เ, เราจะพยายามไปทําให้อะไรที่มันวุ่นวายเราไปดับไอ้ที่วุ่นวายให้มันไม่วุ่นวายเพื่อใจเราจะได้สบายคนทั้งหลายในโลกนี้ปฏิบัติผิดอย่างเงี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็น์คือ มันจะไปทําให้สิ่งนี้เคลื่อนไหวไฟนใจิตใจให้มันเนี่ยนิ่งๆเจ๋อเจ๋อให้มันนะ <c oughs> ไม่วุ่นวายใจเราจะได้ไม่วุ่นไวายไปหาที่มันนิ่งๆเงียบๆเพราะว่าไอ้เสียงนู้นก็วุ่นวายคนนี้ก็วุ่นวายสิ่งนั้นก็วุ่นวายใจเราจะได้ไม่วุ่นไวายไปหาที่เงียบๆแต่พอไปอยู่ที่เงียบๆกับวุ่นวายแต่จริงใจของตัวเองเ่ะวุ่นวายอ่านใจของตัวเองให้ขาด ว่าอะไรมันวุ่นวายเหมือนกับว่ามีพระองค์นึ่งมาหารลวงปูดูลนตุโลที่เป็นอาหารเจ้าแหง่งจิตที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยหลวงปู่ดูลนตุโลเจ้าแหง่งจิตว่าทําไมวัดนี้โอ้โหก็เปิดเสียงเพลงมันวัดมั น, ม, น, ม, นมันติดมันติดหมู่บ้านนะวัดกลางเมืองเลยวัดสุรินทร์วัดหลวงปู่ดูนลนตุโวัดบุรพารามว่าทําไมเสียงมันนกหูจริงๆเนี่ยหลวงปู่ก็บว่า ดูให้ดีเลยระเกะให้ด e e ok <lad> <uki>? ีเสียงเนีああ่ยมันมีปัญหาต่อใจเราหรือใจเราไปมีปัญหากับเสียงใครมันมีปัญหาต่อกันเราไปกวนเสียงหรือเสียงมากวนเราเราดูอ่านใจให้ขาดเสียงมันมากวนเราหรือเราไปกวนเสียงเสียงมันมีปัญหาต่อเราหรือเราไปมีปัญหาต่อเสียง บอกคนน hmm. so, well. <des> ู้นกับมีปัญหาไปวัดเห็นคนนู้นกับมีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาเราเห็นทะเลาะกันในบุญไปหมดเลยเราถึงไม่สนับสนุนในบทสี่เราเห็นในวัดทุกวัดเราไปอยู่มาหลายวัดแหละเห็นทะเลาะกันในบุญไปหมดทุกวัดไปเพราะอะไรคนน้นกัมีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหาแต่ที่ยิงใจเจ้าตัวเรามีปัญหาแต่เราก็ไปโทษไเลยว่าคนอื่นมีปัญหาคนนู้นมีปัญหาคนนี้ปัญหาแต่สุดใจเรามีปัญหาใจเราเจ้าปรยุกต์กับเขาเอง ก็เป็น <mini> ย <drained out> ังไงใจเราไปยุกับเขาอย่าไปยุกกับเขาใครเป็นนิพพาใครเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอใครเป็นยังไงใจเรานิพพานเป็นพอแต่นี้ใจเราเลยมันจะพยายามให้ไอเขาดับไปคนนี้ดับไปสิงนั้นดับไปใจเราจะได้สงบทําไมไม่ถัดทำไมไม่ไอนี้สิ่งนั้นไม่ดับไปเสียงไม่ดับไปคนนั้นไม่เลิกวุ่นวายคนนี้ไม่เลิกเดินไปเดินมาใจเราได้สงบทันทีโอ้ยเราไปโทษแต่สิ่งอื่นที่ทําทําให้ใจเราไม่สงบแต่จริงใจเรานั้นนไม่สงบ วันก่อนนี้ก็มันหวนเมื่อวานนู่นเมื่อวานเมื่อวานน้องที่มานั่งกับตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกเนี่ยทําให้ใจเขาไม่สงบเมื่อไรที่ลูกเขาดีเขาก็จะใจใจเขาสงบแต่ลูกไม่ดีจิตใจลูกเขาวุ่นวายจิตใจเขาก็ไม่สงบแลลูกคนตัวเล็กลูกก็ยังตัวเล็กอยู่เลยมันจะเป็นโอ้ลูกก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็เวลาลูกเขาวุ่นวายใจเขาไม่สงบเวลาลูกลูกก็ดีดจิตใจเขาก็สงบโอ้ย่างเนี้ยเอาใจสงบไม่สงบไปผูกกับลูกก็ตายอย่างเดียวอะไรเงี้ย เราใจเราไปผูกกับยังอื่นน่ะพอลูกดีใจทึงสงบลูกไม่ดีใจไม่สงบผัวดีใจทึ้งสงบเมียดีใจทึ้งสงบอุยตายอะไรอย่างนี้อ้ยมันไม่ลอยคนอื่นไปยังไงล่ะใจเราใจเราเนี่ยเป็นใจของใจก็สงบไปเรื่อยแล้วใจมันก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครหรอกใครไปยังไงใจเราที่ปานเป็นพอเออเนี่ยนะบวชใจดูที่ใจอย่าไปบวชไปบวชเราเห็นแล้วมีปัญหาเยอะต้องใช้อุบายในการฝึกยังไงคะหลวงตา เออมัก็ดูที่เนี่ยสังเกตดูที่ใจเราอะ่ะอย่างอื่นมีปัญหาต่อใจเราหรือใจไป ม, มีปัญหาต อ, อยังอื่นเมื่อก่อนเนี่ยออกมามาปฏิบัติเมื่อนั้มีคนหลายคน ม, มาขอปฏิบัติโอ้เรามาปฏิบัติระบนเรามีปฏิบัติแล้วปฏิบัติแะลรเดินก็ช้าทำอะไรก็ช้าจะอาบน้ําแต่กินอะไรก็ช้าเนี่ยแต่ไม่รู้ใจตนเองเลย เรเห็นหลายคนแล้วมีปัญหาแบบนี้เดินก็ช้าหันก็ช้าพูดก็ช้าคนอื่นก็ไปเรียบกว่าแหละแล้วเป็นไงเดี๋ยวก็วุ่นวายมาฟ้องอยู่นั่นแ่ละไอ้หนุ่มก็นกหูไอ้นี่ก็นอกหูไอ้หนุ่คนนั้นก็วุ่นวายคนนี้ก็วุ่นวายเอ้าเดี๋ยวปฏิบัติยังไงก็าไม่เราไม่เข้าใจเลยมันทําไมอยู่ข้างนอกแหละดูช้าแต่ใจกันไม่มันทําไมวุ่นวายอย่างเนี้ย ไปโทษอย่างอื่นวุ่นวายหมดใจตัวเองอ็วุ่นวายผลท้ายอยู่ที่นี่ไม่ดีไม่ได้แล้วที่นี่มีแต่วุ่นวายเราว่าเขาก็อยู่กวันที่นี่ยก็ไม่เห็นจะวุ่นวายอะไรเลยก็อยู่จนเป็นเสียงปกติอยู่ไม่ได้แล้ววุ่นวายแล้วเราถามว่าทําไมไม่อยู่วัดของตัวเองมาทําไมไม่ได้วัดมันอยู่ไม่ได้วุ่นวายมาขออยู่ที่นี่เราบอกว่าที่นี่มันวุ่นวายนะมันก็เป็นปกติคนเยอะก็ต้องวุ่นวาย ไม่ได้ไม่ได้ที่วัดมันที่วัดนู้นมันวุ่นวายแต่บอกเขาอยู่จริงๆโอ้ยที่นี่ทำไมวุ่นวายเราว่าแล้วที่อย่งนีจะไปอยู่ที่ไหนที่จะไม่วุ่นวายเนี่ยใจของทนายต่งหากที่มันวุ่นวายแต่เราไปโทษที่อื่นมันวุ่นวายย่งก็อยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้ที่สุดแล้วเราถามหนักหนะกครัเราก็ถามถึงเรามีคนมาแล้วว่ามีมีินนมีมาหาเราเราถามว่าเป็นไงบ้างวันนั้นทนายเป็นไงบ้างโอ้ยเตลิดไปแล้วอาจารย์เตลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้วันนั้ โอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะวุ่นวายดวงตาเมตตาตอนช่วงที่เห็นตรงนี้เขาว่ามันว่าที่ดวงตาให้ให้ดูความดูจิตของตัวเองใช่ไหมที่เวลาวุนวุ่นวายหรือไม่ช่บบางทีมันเห็นตรงนี้แล้วแบบต้องต้องยังไงคะมาเดี๋ยวชั้นมันหรือว่าเวลาจังมันจางมันจังมันจังมันจางมันอะไรเกิดขึ้นมันจางมันจางมันจังมันปล่อยไปปล่อยไปมันเหมือนเอาตรงเนี้ไม่ทันเนี่ยมันไปแล้ว มันไปแล้วก็ช่างมันนี่ไปแล้วก็ช่างมันไปแล้วก็ช่างมันยป็นไงแล้วช่างมันมันไปแล้วก็ช่างมันก็เอาใหม่เลือกใหไปแล้วเป็นไงก็ช่างมันก็อะไรเกิดืึ้นช่างมันนล้วก็เราก็ดูอ่านดูตลอดเวลาว่าใจเราไปมีปัญหากับอะไรหรือว่าอะไรมีปัญหากับใจเราใจเราเท่านั้นเน่ยจะไปมีปัญหากับอย่างอื่นอย่างอื่นเขไม่มีปัญหากับเราเลยใจเราต่างหากที่มีปัญหาใจเราจะมีปัญหากับอะไรก็แล้วกัน อะไรเกิดขึ้นวะมันเจ้ามันเจังมันอดทนอดกันจ้ามันเจ้ามันจ้ามันเจ้าเราเจ้ามันจ้ามันเจ้ามันใจเราอยู่มีปัญหากับอะไรอะไรมีปัญหากับเราหรอกไม่อยู่ได้หลวงู่ดูลัทธอยู่วัดกลางเมืองรู้อรหันต์ไหมหลวงปู่เจ้าคุณนอไปรู้อรหันต์ในกรุงเทพเลยไม่นต้องยู่ป่าเลยยุ่งอรหันต์ในกรุงเทพเลยเจ้าคุณนออยู่กลางเมืองนี่เลยนั่นแหะมันอยู่ที่ใจของเราอ่านใจเราขาดว่าใจเราไปมีปัญหากับอะไรไปมีปัญหาคนนั้นคนนี้ไมีปัญหาเสียงนั้นเสียงนี้ ไปมีป no no ัญหากับประการหัวใจเอจิตมันไม่ดีอยากให้มันดีจิตเป็นอย่างนู้อยากให้เป็นอย่างนี้จิตมันไม่นิ่งอยากให้มันนิ่งวุ่นวายไปหมดแหละจิตมันไม่นิ่งก็เออช่างมันเราไม่ีปัญหากับจิตที่มันไม่นิ่งเราจะให้มีพอจับผมมันไม่นิ่งอยากใจมันนิ่งอันนี้มีปัญหาทันทีเพมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปเราก็เราก็ไปฟุ้งซ่านไม่อยากคิดก็คิดไปเอออยากคิดก็คิดไปแต่เราไม่มีปัญหากับจิตที่มันคิดฟุ้งซ่าน แต่ใจเราไม่เราไม่พุ่งซ่านจากคิดคิดไปกับพุ่งซ่านไปเอีตอนที่มันพุ่งซ่านเราก็จะไมนสงบอีตอนไม่สงบโอ้ยวุ่นวายอีตอนสงบแล้วทําไงจะมันสงบจากยิ่งิดหลอดไปพอสงบก็วุ่นวายอีกทำไมสงบแล้วอยากให้สงบทำไมมันถึงจะพอสงบไปหายไปพอสงบก็วุ่นวายแต่พอพุ่งซ้านก็วุ่นวายอยากให้มันสงบพอสงบก็กลัวมันจะหายไปวุ่นวายอยู่นั่นแน่เลยชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย มันอ่านใจเองไม่ขาดว่าอะไรมันวุ่นวายใจเราต่างหากที่วุ่นวายโลกไม่วุ่นวายแล้วเขาวุ่นวายเขาวุ่นวายเรื่องโลกตา ป, ปกติเขาตัใจเราเทนั้นไม่วุ่นวายอ่านใจเราให้ขาดมันจะไปบวชแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันเราอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติไม่ได้เรามันวุน่นวายแต่จริงๆเราไปอยู่แล้วเราวุ่นวายถึงไปอยู่ในป่าก็วุ่นวายสลานใจไม่ขาดผูดเจ้าจึงตัดว่าเนี่ย yeah. เราอยู่ในถ้ำกลางหมู่คนทั้งหลายคนในที่เนี้แต่ถ้าเราใจเราเนี่ยไ ม, ม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกิเลสตัณหากับใครนั่นแน่คือใจสันโดษเธอเป็นผู้สันโดษใจสันโดษแต่แม้เธออยู่คนเดียวแต่ใจเธอมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อ น, อ, นอันนี้ไม่สันโดษอยู่ป่านะแต่ใจมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนไม่สันโดษ ต้องอ่านใจตนเองไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยไม่ได้เกี่ยวกับใครเราอยู่กัทเนียร์อยู่ตั้งกี่วันแะ้วใจไม่มีกิเลสตัณหากับใครไม่วุ่นวายกับใครตั้งไม่หงุ่นงิดคนนั้นมาโหรคนนั้นไม่โทรคนนั้นไม่โทรคนนี้ไม่ไปแอบรักคนนั้นแอบรักคนนี้แล้วจะมีอะไรมันก็อยู่กัทเธียอยู่ก็ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอยู่ในทรามกลางหมู่คนเนี่ยแล้วไม่มีไม่มีกิเลสตัณหาพอใจไม่พอใจเป็นเบื่อโทรคนนั้นโทรคนนี้ว่าคนนั้นว่าคนนี้ ตัวนี้คืออะไรคืเขาบอกว่า<อ>เด็กกับแก้วแตกกันไปไนโอ้แกแ้วมันก็แตกแล้วก็แตกไปก็แก้วมันเป็นของที่แตกได้แตกแล้วก็แล้วไปเออแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยโอ้ยโทษนั่นโทษ น, นี่อย่างเนี้ยวุ่นวายแต่ปัญหาตาว่าใจเราจังหากที่วุ่นวายครับดูสิเขานั่งอยู่เงียบเงียบสงบไปมมด พอใจแล้วไม่วุ่นวายเนี่ยเหมือนโลกธกาตุตั้งหงดไปได้เลยเราสังเกตดูสิกเก น, นี่เหมือนโลกธาตุทั้งโลกกาตุตั้งหงดได้เลยแต่เราไม่ไม่รู้สึกได้สัมผัสได้หมดเลยเราจะเอาความตอบทํายังไงหนูจึงจะไม่วุ่นวายทํายังไงหนูจะไม่เป็นอย่างนี้ทําไงหนูจึงไม่เป็นอย่างนั้นกนอย่างเงี้ยเราไม่มีมันก็ความวุ่นวายเกิดจากใจเราเอง เราจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้มีแต่ตัวเราเองตัวเราเองตัวเราเองตัวเราเองตัวเราเองเราสงบใจแล้วก็ฟังรอบข้างมาเนลยธรรมชาติเนี่ยโลกธาตุสงบไปหมดเลยสงัดไปหมดเลยแต่เราเพราะเราเราวุ่นวายเกินไปเราเลยไม่รู้เนี่ยแบบความสงบสงัดของธรรมชาติมันเป็นยังไงอย่างตอนนี้เนี่ยดูดิเนี่ ถ้าจิตใจใครเนี่ยที่เป็นธรรมเลเนี่ยมันจะรู้สึกว่าธรรมชาติรอบตัวเราเนี่ยมันสงบสงัดมากเลยมันมีความสงบมันมีความสงัดไม่ใช่สงบธรรมดานะสงัดเลยสงัดไปทั้งธรรมชาติขอย ใ, ใจเป็นธรรมกันะแต่เราโมตมุ่งมุ่งไเรื่อกตัวเองตัวเองตัวเองตัวเองตัวเอ ง, เอ ง, เอ ง, เองมันเลยไม่ได้พบกับธรรมชาติที่สงบสงัดอย่างนี้ได้ เล Creation, Valerie, ิกหมกมุ่นเลิกวุ่นวายในตัวเองตัวเองทีเราก็จะพบกับความสุขได้ในทุกที่ไม่ต้องรอบวชเราไปหาในที่ไหนหลอกไม่ต้องอยู่ในที่นี้ก็มีความสุขได้เดี๋ยวนี้เลยมีความสุขเดี๋ยวเนี้พอใจแล้วไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้อยู่อยู่ตรงที่นี้เดี๋ยวนี้ณขณะนี้ก็มีความสุขสงบได้เดี๋ยวนี้เลยความสุขความสงบก็มีอยู่เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยดูดีเดี๋ยวนี้มาเลย ความสงบสงัดอย่างเนี้ยมันมีอยู่เพราะในที่ที่เป็นธรรมที่ที่เป็นธรรมเท่านั้นที่ที่มีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่ออกจากใจพระพุทธเจ้าผ่านใจของพระสาวกไปยังจิตใจเดิมของพวกท่านจิตใจแท้ๆ ท, ที่เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมจิตเดิมแท้ๆเป็นธรรมเป็นพุทธะมีอยู่ในใจของทุกคนแต่พอเราวุ่นวายเกินไป ทำที่ออกจากใจขององค์พันราสาวกมันเลยไม่เข้าไปสู่ใจของเราได้เพราะเราความวุ่นวายเนี่ยมันบังในใจเราทั้งหมดมันเอาความวุ่นวายมาปิดประตู ก, กั้นทั้งหมดเราเปิดใจแเราอย่าหมกมุ่นกับตัวเองอย่าหมกมุ่นแต่คิดไปเรื่องของตัวเองปล่อยวางมันไปวางเดี๋ยวนี้เลย หมกมุ่นที่จะเอาความเข้าใจหมกมุ่นที่จะเอาความรู้หมกมุ่นที่เอาคําตอบทิ้งให้หมดและเลิกเลยแล้วเราก็จะพบจะพบธรรมชาติด้วยวนี้นั่นเนี่คือใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่สงบสงัดธรรมชาติที่สงบสงั ด, ดนั่นแหละคือทำเราไม่ไม่จะทำคือเราไปสแสวงหาความรู้ความเข้าใจอะไรไม่ใช่เราเลิกบุ่นวายหมกมุ่นแต่เลือกจะเอาคําตอบ อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้นเป็นอย่างนั้นใจมันเป็นอย่างนี้หนูกําลังใจเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากอย่นี้ทิ้งความอยากเอาทั้งหมดเลยปล่อยวางไว้เกลี้ยงที่เหลือปัจจุบันใจก็เป็นธรรมเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติที่หนึ่งเดียวกับโลกธาตจที่เงียบสงบสงัดเลยเลิกบุญว่าอยากจะเอาตั้งแต่ไอ้นี่อยากดูเห็นได้เป็นอะไร จะสัมผัสมันได้เลยว่าอ๋อธรรมมันคืออันนี้เหรอธรรมมันคือความที่หยุดการปรุงแต่งในไดทั้งมวลจิตความวุ่นวายในใจเราไม่เป็นหมกบุ่นกับอะไรนั่นแหละคือธรรมแท้ๆนัตถิสันติพลังสุขขังสุขใดจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีสงบจากความปรุงแต่งวุ่นวายจิเป็นนี้อยากเปอย่างนั้นช่วบอกหม่ ใชบอกหน่อยใบอกหน่อยทำงานจะเป็นทำงานจะรู้ทำงาจะเห็นทำงานจะเป็นทิ้งให้หมดเลยไหมอ่ะอย่าไปปรารถนาอย่าไปอยากวุ่นวายขนาดนั้นทิ้งให้หมดแล้วจะเป็นทําเองเลยจึงรู้ว่าอ๋อธรรมแท้ๆมันคือความไม่ปรุงแต่งม่นวุ่นวายไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยมันมีแต่ความสงบและเป็นสุขแค่นั้นแหละมันไม่ใช่ว่าไปได้อะไรหรอกไปรู้ไปเห็นไปเป็นอะไรหรอกมันมีแต่ใจสงบลมเย็นเป็นสุขแค่นั้นแหละ สงบจากความปรุงแต่งสงบจากความเดือดร้อนสงบจากความวุ่นวายเราหยุดการปรุงแต่งหยุดเดี๋ยวนี้ทิ้งให้หมดเลยอยากจะรูอกกะ้อยากจะเห็นอยากจะได้อยาจะเป็นทํำยังไงจิตถึงจะดีจิตหนูถึงจะไม่พรุงแตานจิตเลยในความคิดเราเนี้ยเลิกทิ้งเกลี้ยงเดี๋ยวนี้เรโยนทิ้งให้หมดเลยโตมหมดทิ้หมดเลยเดียวเราก็จะพบกับธรรมแท้ธรรมแท้ตือเนี้ยธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งจิตเงียบจิตสงบจิตสนัด เนี่ยเราเจนว่าสงงาไปหมดเลยโลกธาตุสง่าไปทั้งโลกธาตุเราจะพบได้ในในที่มีการปฏิบัติธรรมในที่ที่เป็นธรรมที่มีการแสดงธรรมที่สิ้นความปลงแปลงของพระพุทธองค์ไม่ใช่เราไปจะไปอู้ไปต้อง จะบอกเราจะทำใหิตมันจิตหายวุ่นวายทำไมจะเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นกันทำไมจะเลื่อยทำไมันจะเป็นอย่างนู้นได้จะเป็นอย่างนี้ได้หนูจะปีบวดชีแล้วหนจะเป็นอย่งไรยังไม่เลยโอ้ยเป็นอนาคตทางแนวปัจจุบ yes ันเนี่ยวางให้หมดวางหมดแล้วก็สงบลงเดี๋ยวนี้เป็นสุกเดี๋ยวนี้สงบเดี๋ยวนี้ก็เป็นสุกเดี๋ยวนี้แะมันจะเป็นสุกในพุงนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นสุขตอนโกลหัวอยู่บวดชีไม่ใช่เป็นสุขเดี๋ยวนี้แหละปใจั้งนะ เออ auto, มันวิ่งลอร้อนเองมันเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นชีวิตมันไม่เคยหยุดเต้นนะเราเต้นเองแล้วก็ทุกเองแต่เราจะไปหาที่พ้นทุกไม่ใช่เราเต้นเองแล้วก็ทุกเองแต่เราจะไปวิ่งหาที่พ้นทุกพอเราหยุดเต้นได้เราก็เราก็ไม่ทุกแล้วแต่เราจะไปหาที่ดีมัน่ทําให้เราหยุดเต้นไม่ใช่ไม่ใช่บวดก็มานั้นเราจะพ้นทุกได้ไม่ใช่ ไม่ใช่มันอยู่ที่ใจทำ ไ, ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแลจ้วยุ่งทุนไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมและยุ่งที่สุดยุ่งวุ่นวายที่สุดเราจะไปหาธรรมที่นู่นหาธรรมที่นี่หาธรรมที่วัดนู้นวัดนี้ไปหาธรรมที่ตรงนั้นตรงนั้นนี่ไปหาธรรมที่แต่งสีขาวไปหาธรรมที่แต่งสีเหลืองเราจะเปลี่ยนไปโคนหัวเป็นสีเหลืองที่ขาวแล้วเราจะเป็นไม่เป็นเราเป็นมันต้องเป็นที่ใจนี่แหละเป็นที่ใจ มันเป็นจริงๆแนละ้วบรรลุธรรมจริงๆแนละ้วมันเดจะจ บ, บวชกับบวชแต่จะได้เป็นประโยชน์นต่อพระศาสนาได้มันยังไม่เป็นเเป็นบวชการมันเป็นไม่เป็นนะไม่เป็นหรา